บทที่10สตรีอายุประมาณ50กราบปลกปลกลากกลับไปแล้วบุรุษอายุประมาณ50ก็เข้ามากราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วร้องทุกว่าหลวงพ่อครับพระอายุ25พาเมียผมหนีลูกสามคนร้องไห้หาแม่ทุกวัน หลวงพ่อช่วยตามเมียผมกลับด้วยเถอะครับพระอีกแล้วหรือทาไมถึงทําอย่างนี้ล่ะบาปกรรมมากเลยรายเมื่อกี้ก็พรากลูกเขาพอมารายนี้พรากเมียเขาแล้วยังพรากแม่ไปจากลูกๆอีกเป็นพระทำอย่างนี้ได้ย่างไรคนที่ไม่เข้าใจก็จะเอาไปพูดว่าพระไม่ดีแล้วก็พากันไม่นับถือพระ ท่านถือโอกาสสอนญาติโยมว่าญาติโยมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะปัจจุบันคนชั่วปลอมบวชกันมากที่มาบวชไม่ได้วังวิมุตต์หลุดพ้นแต่มาบวชเพื่อหากินคือเอาผลาญมาโฮมเพื่อหากินในทางหลอกลวงประชาชนอัตมาเรียกพลพวกนี้ว่าพวกหลอกลวงโลกวังเอาลาบบาปที่สุดอัตมาสงสาร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 เพราะทำผิดทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกก็คือละเมิดศีลข้อกาเมในทางธรรมก็ทำผิดพระวินัยข้อเสพเมถุนเท่ากับต้องอาบัติป ร, รารชิกขาดจากความเป็นภิกษุถ้าศึกแล้วบวชใหม่อีกไม่ได้แล้วพวกบ้านโยมอายุเท่าไรท่านถามบุรุษผู้ถูกพระแย่งภรรยาไป25ปีครับแกกว่าพระ กำปัป่นยี่สิบปีเรียกว่าเป็นแม่ลูกกันได้ผมไม่นึกว่าพระกำปั่นจะตามืดตาโมวถึงกับเอาคนคราวแม่ไปทำเมียพ่อลูกสามตำหนิคนโกนหัวหอมผ้าเหลืองฉันขว่าภรรยาคุณคงตามืดตาโม่เช่นเดียวกันที่เอาคนคราวลูกมาทําผัวสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นหล่อนนับถือพระ จึงเข้าข้างพระไม่แน่นะคะภรรยาคุณอาจจะไปหลอกพระก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกคนแบบนี้ว่าเท่าหัวงูส่วนผู้หญิงก็น่าจะเรียกว่าไก่แก่แม่ปราช่อนพระท่านอายุน้อยแล้วก็อยู่ในวัดจึงอ่อนต่อโลกเลยถูกภรรยาคุณหลอกหลอนรู้สึกคันปากอยากจะพูดกรุณาอย่าว่าภรรยาผมถึงอย่างไร พระกำปันก็ผิดที่มาพาเมียผมหนีบุรุษนั้นพูดเข้าข้างภรรยาถึงจะโกรธหล่อนที่หนีตามพระไปแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาว่าภรรยาที่เคารพพระนุบนั้นชื่อกำปันหรือท่านพระครูถามเพระาะได้ยินเขาเรียกพระกัมปันมาสามครั้งแล้วครับหลวงพ่อเขาชื่อกำปัน แต่ผมอยากจะให้กมปั้นเขาสักสองสามทีโทษฐานพาพวกบ้านผมหนีต่อยพระบาปไหมครับเขาถามท่านพระครูนอกจากจะบาปแล้วยังถูกตำรวจจับในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกด้วยการทำร้ายร่างกายคดีอาญาโยมอยากติดคุกหรือเปล่าล่ะแล้วคิดบ้างไหมถ้าโยมไปติดคุก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 ผมสงสารลูกเหลือเกินพวกเขาร้องไห้หาแม่ทุกวันลูกโยมอายุเท่าไรละ่ะอ่านหนังสือเป็นหรือยังเป็นแล้วครับลูกสาวคนโต19กําำลังเรียนครูอยู่ปีสองคนรองอายุ15กํากำลังเรียนมห้าส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุเพิ่งได้สาขวบเป็นลูกหลงมาเกิดพี่ๆเขารักมาก พอน้องร้องไห้หาแม่พวกเขาก็ร้องตามเพราะความสงสารน้องแล้วยมละ่ะร้องไห้ตามลูกด้วยหรือเปล่าคำถามนี้แทงใจดามบุรุษวัยห้าสิบเขาตอบเสียงอ่อยๆว่าก็ร้องบ้างครับผมสงสารลูกแท้จริงเขาคิดถึงภรรยามากกว่าสงสารลูกหรือว่าคิดถึงแม่บ้านกันแน่ สมภารวัดป่ามะม่วงอุตรู้ความในใจของเขาคนเมียหายจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็ท้องสองอย่างแหละครับตกลงหลวงพ่อจะช่วยตามเมียให้ผมไหมครับเขารวบรัดตัดความด้วยโยนภาระให้ท่านพระครูอาตมาจะไปตามได้อย่างไรละ่ะมารือนี้อาตมาต้องเดินทางไปอินเดียแล้วอีกอย่าง อาตมาก็ไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ใครเพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระเมียใครใครก็ตามเอาเองก็แล้วกันท่านพูดเหมือนไม่ต้องการช่วยหลวงพ่อได้โปรดเถอะครับช่วยผมกับลูกๆด้วยอย่าให้พวกเราต้องกำมพราเมียกัมพราแม่เลยครับเข้าอ้อนวอนอาตมาขอถามอะไรโยมได้ไหม ขอถามว่าทำไมโยมถึงไม่คิดมีภรรยาใหม่หาแม่ใหม่ให้ลูกไม่ดีกว่าหรือหาที่สาวๆสวยๆกว่าพวกบ้านโยมน่ะพ่อลูกสามตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ครับหลวงพ่อ เพราะผมได้สาบานไว้กับพวกบ้านก่อนแต่งงานว่าจะไม่ขอมีเมียใหม่จะรักเดียวใจเดียวแต่เขาตลอดไปผมสาบานกับเขาที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมไม่กล้าผิดสาบานครับคือเหตุผลที่เขาไม่คิดมีเมียใหม่เอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะแนะนำให้โยมกับลูกสาวสองคน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 หลวงพ่อช่วยสวดให้ผมด้วยก็แล้วกันเขาพูดง่ายฟังยากเสียใจอาตมาเสียใจด้วยที่โยมไม่ยอมแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่มีใครแก้ปัญหาเหตุใครได้เราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองถ้าโยมไม่แก้อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านพูดแบบไม่มีเยื่อใย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 ถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาละครับจะต้องไปทำงานต่อเขากราบเบญจางคปดิษสามครั้งแล้วลุกออกไปไม่ลืมที่จะถวายซองบรรจุปัจจัยห0 0อบาทเป็นค่าปรึกษาด้วยเพราะไม่ชอบเอาเปรียบใครโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อลูกสามลูกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่า โยมคนนั้นเขาเป็นนายทหารยศพันโท ร, รบเก่งแต่พอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกลับคิดไม่ออกต้องมาขอให้อาตมาช่วยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับหลวงพ่อปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากเขาเองนั้นก็มีปัญหาครอบครัวจะมาปรึกษาท่านก็ถูกข้องโยมแต่ไม่ถูกข้องอาตมา สำหรับอาตมาเห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องจิบจ้อยมากท่านใช้สำนวนในอนาคตอีกปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาตมาและสัตว์โลกทั้งหลายก็คือปัญหาสังสารวัตรพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาได้แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายยังแก้ไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงวางแนวทางการแก้ไขไว้ให้แล้ว หลวงพ่อคะหลวงพ่อทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าผู้ชายคนที่เมียหนีตามพระไปเขาเป็นทหารเขาไม่ได้บอกแต่ทำไมหลวงพ่อทราบสตรีอายุสามสิบเศษ ร, รู้สึกกังขาท่านพระครูตอบว่าถึงไม่บอกอาตมาก็ทราบอย่างโยมที่กําลังจะปรึกษาปัญหาครอบครัวกับอาตมาคนนี้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 แต่โยมจะต้องปฏิบัติให้ได้อานิสงครบ3สข้อดังที่อาตมาวิจัยไว้คือต้องละลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ถ้าทำจนได้อานิสงสามข้อนี้โยมก็ไม่ต้องมาถามอาตมาเพราะรู้คำตอบได้โดยตนเองนี่ก็เป็นอานิสงข์ข้างตนของการปฏิบัติ แล้วอ น, นิสง์ขั้นกลางกับขั้นสูงคืออะไรครับอ น, นิสง์ขั้นกลางก็คือต้องทำกรรมาฐานให้ถึงขั้นอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดำริชอบเมื่อถึงขั้นดำริชอบก็จะประกอบแต่กุศลจะไม่ทำอกุศลเลย เมื่อประกอบุูรสนก็จะได้ผลอาันานนี่เป็นเรื่องสำคัญญาตโยมโปรดจาใส่ใจส่วนอนิสงฆ์ขั้นสูงก็คือต้องปฏิบัติจนตัดความหลงในสงสารได้เมื่อตัดความหลงในสงสารได้โยมก็ไม่ต้องมาเวียนหวตายตเกิดในวัตฏะสงสารอีกต่อไปทั้งหมดนี้ก็คืออนิสงฆ์แห่งการเจริญพระกรร ม, มาฐาน ถ้าเช่นนั้นผมจะลาพักร้อนมาเข้ากรรมฐานจะหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมอยากทราบคำตอบจากหลวงพ่อก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าผมปฏิบัติได้ตรงตามที่หลวงพ่อบอกหรือไม่ปัญหาของผมก็คือบ้านผมอยู่ติดวัดเขาได้บอกชื่อวัดวัดหนึ่ง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 แต่ก็ผิดสังเกตคือพอเมียผมรู้ว่าผมจะไปชายแดนมันจะดีใจจนออกนอกหน้าผมก็เลยชักไม่แน่ใจวันหนึ่งก็บอกเมียว่าพรุ่งนี้จะไปชายแดนพอรุ่งเช้าผมก็ออกจากบ้านไปแต่ไม่ได้ไปชายแดนตกดึกผมกลับมาแล้วก็มาซุ่มดูดูนอกบ้านประมาณห้าทุ่มพระรูปดังกล่าวก็จัดการปีนรัว้ว ข้ามมาบ้านผมนางเมียก็เปิดประตูออกครับประคองกันเข้าไปในบ้านผมโกรธจนแทบจะยิงตายตามกันไปเลยแต่มาคิดอีกทีถ้าผมยิงมันตายหนังสือพิมพ์ก็จะนำไปลงข่าวคนก็จะสาปแช่งว่าผมบาปหนาสาหัสเพราะฆ่าพระผมจึงสงบจิตสงบใจแล้วขึ้นไปเคาะประตูบ้าน เมียผมตะโกนถามออกมาว่าใครผมก็บอกว่าผมเองช่วยเปิดประตูหน่อยสักพักมันก็มาเปิดประตูผมรีบวิ่งตามไปที่หลังบ้านเพราะรู้ว่าพระรูปนั้นจะต้องไปหลบอยู่ที่นั่นแล้วก็หาทางหนีออกไปพอผมเจอมันนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะผมก็ซ้อมมันซะยับเยินเสร็จแล้วเอาปืนจาะหัว ขูมันว่าพรุ่งนี้ฮรีบย้ายไปอยู่วัดอื่นถ้าผมรู้ว่ายังอยู่ที่วัดนี้ผมจะยิงให้สมองกระจายต่อหน้าสมพานเลยมันก็เลยรับปากรับคำว่าจะย้ายไปอยู่วัดบ้านเกิดของมันซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรวัดอะไรคะดิฉันจะได้ไม่ไปทําบุญที่วัดนั้นสตรีผู้หนึ่งถามขึ้น ผมไม่ได้สนใจจดจำหรอกครับแค่มันไม่อยู่ให้ผมเห็นหน้าก็พอใจแล้วทหารนมระบายความแค้นด้วยการเรียกพระและภรรยาว่ามันแล้วมีปัญหาอะไรอีกกอดท่านย้ายไปอยู่วัดอื่นแล้วก็น่าจะหมดปัญหาท่านพระครูติงอุสาเรียกพระรูปนั้นว่าท่าน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 เมื่อถึงวัยที่โยมเท่าชะแลแกะชะลาเขาเป็นเด็กกะตันยูรู้คุณจะมีคนเมตตาเขาและโยมก็จะได้เป็นในพันเพราะบุญกุศลของลูกอาตมาดูหนาแล้วโยมมีลูกคนเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเขาเป็นหมันแต่เขาไม่รู้อาตมาจะเล่าให้ฟัง คุณหญิงคนหนึ่งเคยมาหาอาตมามาบอกว่าสามีสึ่งเป็นในพลได้เด็กคราวลูกมาเป็นภรรยาแล้วก็ไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็มาปรึกษาว่าจะเอาน้ํากรดไปสาทั้งแม่ทั้งลูกอาตมาก็ห้ามไว้แล้วก็ทํานายอีกว่าอีกหน่อยเขาจะต้องรักเด็กคนนี้เขาก็เถียงว่าเป็นไปไม่ได้ต่อมาในพลก็เป็นอมาพาธ ภรรยาก่อนนี้ตามชายอื่นที่อายุไล่เลี่ยกันทิ้งลูกไว้คุณหญิงก็เลยต้องเลี้ยงลูกให้แล้วก็ทั้งรักทั้งหลงเด็กคนนี้เพราะว่าแกคิดว่าคุณหญิงเป็นแม่ของแกเด็กเขาบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวถ้าเราเลี้ยงดูเขาให้ดีเขาก็จะรักเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครนะโยมนะ ครับหลวงพ่อถ้าเช่นนั้นผมก็ขอกราบนมัสการลาจะไปทำเรื่องขอลาพักร้อนเพื่อมาเข้ากรรมฐานอย่างน้อยผมก็จะได้สบายใจขึ้นมากต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเขากราบเบญจางคะปิดสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหลวงพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อมากคะ่ะคุณพ่อเสียมาปีเศษแล้ว แต่หนูยังคิดถึงท่านอยู่เสมอทุกวันหนูจะทำอย่างไรดีคะสาวสวยอายุราวสามสิบกราบเรียนเมื่อถึงคิวของหลอนแล้วคุณแม่ของหนูยังอยู่หรือเปล่าท่านพระครูถามยังอยู่คะ่ะหลอนตอบแล้วคุณแม่ของหนูเขาคิดถึงคุณพ่อไหมไม่คิดถึงคะ่ะนอกจากนี้เวลาหนูร้องไห้คิดถึงคุณพ่อ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 คุณพ่อสอนหนูร้องเพลงหลวงพ่อเคยฟังไหมคะเพลงเด็กๆสมัยก่อนเพลงอะไรล่ะท่านพระครูถามเพลงฝนตกคะ่ะเป็นเพลงสั้นๆหนูขออนุญาตร้องให้หลวงพ่อฟังได้ไหมคะท่านพระครูจึงขอความเห็นจากญาติโยมว่ามีใครอยากฟังเพลงฝนตกบ้าง หนูคนนี้เขาจะร้องให้ฟังใครอยากฟังยกมือขึ้นผู้ที่นั่งนะที่นั้นไม่มีใครยกมือพวกหนุ่มๆยกทั้งสองมือแสดงว่าอยากฟังมากร้องดังๆให้คนข้างหลังได้ยินด้วยนะคะเสียงบอกมาจากผู้ที่นั่งข้างหลังฟังเรื่องคเครียดๆมาหลายเรื่องแล้วฟังเพลงสลับฉากบ้างจะได้คลายเครียด เอาละหนูร้องได้มีคนอยากฟังกันทั้งกุฏิเลยท่านบอกหญิงสาวคนคิดถึงพ่อจึงร้องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าฝนตกจักจั๊กมือซ้ายหิวปลามือขวาถือผักมาถึงที่พักวางผักวางปลาเมื่อร้องจบคนร้องก็ร้องไห้เพราะคิดถึงบิดา อ้าวให้ร้องเพลงไงมาร้องหายละ่ะท่านพระครูประท้วงหนูหนูคิดถึงคุณพ่อคะ่ะตอบเสียงปนสะอื้นหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋ามาซับน้ำตาขออีกเพลงได้ไหมตอนฉันเล็กๆพ่อก็เคยร้องให้ฟังแล้วก็มีเพลงจำจี้ผลไม้ด้วยคุณร้องได้ไหม สตรีอายุใกล้เคียงกันบอกกล่าวคุณพ่อสอนฉลองเพลงนี้เหมือนกันหลวงพ่อคะหนูขออนุญาตร้องอีกเพลงนะคะหล่อนขออนุญาตท่านพระครูได้ให้ร้องเพลงนะไม่อนุญาตให้ร้องไห้ท่านตั้งเงื่อนไขได้คะ่ะหนูจะพยายามไม่ร้องไห้ หล่อนรับคำแล้วก็ร้องเพลงจำจี้ผลไม้จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมันนามะพระ้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหยิย้วร้องจบหล่อนก็พูดว่าหนูชอบเพลงแรกมากกว่าค่ะเพราะทำให้เห็นภาพคุณพ่อตอนหนูเป็นเด็ก พอลงเรียนเลิกคุณพ่อก็จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็เดินตากฝนกลับมาตัวเปียกปอนหมดมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักเหมือนในเพลงพอถึงบ้านท่านก็จะวางผักวางปลาลงคุณแม่ก็จะนำไปทำกับข้าวให้พวกเราทานทานเสร็จพวกลูกๆ ก, ก็จะช่วยการล้างถ้วยล้างชามระหว่างนี้คุณพ่อก็จะเล่นดนตรีไทย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 บางทีก็เล่าเรื่องคนทำบาปและไปตกนรกต้องถูกลงโทษทันด้วยประการต่างๆพวกเรามีความสุขมากค่ะด้วยเหตุเนี้ยหนูจึงรักและก็คิดถึงคุณพ่อมากหลอนมีท่าทีว่าจะร้องไห้อีกแต่แล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะถ้าหนูได้เป็นลูกสาวของหลวงพ่อหนูคงหายคิดถึงคุณพ่อ